Mm hmm. เราส่วนใหญ่ก็ทำงานภายนอกกันมาเยอะแล้วนะอาจจะค่อนชีวิตเลยก็ได้ตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะมาทำงานด้านในคือกลับมาใส่ใจกับจิตใจของตัวเองซึ่งมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะ โดยเพราะคนที่หวังความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเปรียบได้กับหน้าไม้หรือว่าธนูเนี่ยลูกธนูนี่เราจะยิงไปให้ไกลมันก็ต้องน้าวสายมาข้างหลังให้มากๆยิงอยากจะให้พุ่งไปข้างหน้าเร็วแล้วก็แรงเท่าไหร่นี่ก็ต้องนาวกลับมาข้างหลังให้มากๆลูกธนูหรือหน้าไม้มันถึงจะวิ่ง ออกไปไกลแล้วก็แรงได้ไม่งั้นเนี่ยนะก็ไปได้ประเดี๋ยวประเดาก็หมดแรงงั้นการที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้คือการกลับมาที่ตัวเองเพื่อเอื้อให้ชีวิตของเราสามารถที่จะปรุงไปข้างหน้าได้ก็คือเกิดความเจริญก้าวหน้ามันไม่ได้แยกขาดจากกันนะการที่เรา มาหลีกเล่นอยู่ในป่าที่นี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการทํางานเหมือนกันมันก็เหมือนกับการพักผ่อนการพักผ่อนหรือการนอนหลับมันก็เป็นส่วนที่เอื้อให้เราสามารถทํางานได้ดีขึ้นคนที่ทําแต่งงานแต่ว่าไม่มีเวลาพักผ่อนหรือแม้แต่นอนหลับเลยเนี่ย ก็ทำได้ไม่นานยิ่งท ำ, ทำไปทำไปประสิทธิภาพของงานก็จะลดลงไปเรื่อยๆมันเหมือนกับช่างไม้มีขวานอยู่เล่มหนึ่งนะได้ข่าวว่าถ้าตัดต้นไม้นะแต่และต้นแต่และต้นนี้จะได้ราคงางามก็ไปรับจ้างเขาตัดต้นไม้ วันแรกนี่ก็ตัดได้ยี่สิบต้นก็ได้เงินมาเยอะทีเดียวต้นละสองร้อยนะก็ดีใจเกิดกำลังใจวันลงุง้ก็ตัดอีกรับจ้างก็ตัดต้นไม้วันที่สองก็ทุ่มเทเต็มที่แต่ว่าต้นไม้ตัดได้แค่สิบห้าต้นทีแรกก็คิดว่าทำงานน้อยไป ก็เลยทุ่มเทมากขึ้นวันที่สามปรากฏว่าตัดได้แค่สิบต้นก็แปลกใจนึกว่าขยันยังไม่พอเลยไปแต่เช้าเลยก็ น, นี้ตัดวันที่สี่ก็ตัดได้แปดต้นก็สงสัยเอยิ่งทํางานทําไมตั้งหแต่ที่ทุ่มเทไปทําไมมันตัดได้น้อยลงเงินที่ได้ก็น้อยลงก็ไปบ่นกับ เจ้าของที่จ้างตัวเองเจ้าของก็เลยถามว่าไปรับคมขวานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็บอกโอ้ยจะรับทําไมไม่มีเวลาหรอกฉันต้องรีบทําไม่มีเวลารับคมขวานแล้วก็ไม่สนใจรับคมขวานเพราะคิดว่ามันเสียเวลาเสียเวลาทํามาหากินแต่ที่จริงถ้าเป็นแต่เขาพัก หยุดตัดไม้แล้วก็มาเลื่อยขวานให้คมเนี่ยเขาก็จะตัดไม้ได้ได้มากขึ้นเพียงแค่เขาพักแล้วก็หยุดเลื่อยแค่นั้นแหละรับคมให้ดีงานที่มันยากก็จะกลายเป็นงานที่ง่ายขึ้นหลายคนคิดว่าการที่มาปฏิบัติแบบนี้มันเป็นการเสียเวลา พองานก็เยอะนะเวลาเป็นเงินเป็นทองแต่หลายคนก็ไม่ต่างจากคนที่ตัดไม้คนที่ว่าเนี่ยนะก็คือยิ่งทําไปทําไปก็ไม่เพียงแต่งานจะน้อยลงหรือว่ามีคุณภาพน้อยลงยังเหนื่อยมากขึ้นด้วยไม่ใช่เหนื่อยทั้งกายหรือทั้งใจในการที่เรากลับมากลับมาอยู่กับตัวเอง กลับมาเพื่อที่จะฟื้นฟูจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงนะเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมันก็เหมือนกับต้นไม้นะต้นไม้นี่จะสูงได้เนี่ยรากก็ต้องลึกยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเป็นต้องมีรากที่ลึก เพราะว่ายิ่งสูงก็ต้องยิ่งเจอแรงลมเจอพายุนะถ้าลากไม่ลึกนะมันก็ไม่มัน่นคงก็มีอยู่เป็นกันหนะ้าที่พออยู่ได้อย่างเช่นต้นไม้ที่พูหลงเนี่ยภูหลงตอนนี้ก็หลวงพ่อก็ไปจำปัรหาหลวงพ่อความเขียงก็ไปจำาัญหาที่นั่นก็เป็นป่าที่ป่าดิบแรงต้นไม้ใหญ่ๆถุงสู ง, สงแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าต้นไม้เหล่านั้นเนี่ยลากไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ เพราะว่ า, าหินเยอะนะใต้ดินจนเป็นหินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นล่างไม่ค่อยลึกแต่ก็ยังอยู่ได้เพราะว่ามีต้นไม้หลายต้นมันโตเป็นเพื่อนกันโอบล้อมกันเอาไว้ก็เลยช่วยรับแรงรวมแรงประทะได้แต่ว่าอันนั้นก็คืออดีตตอนหลังนี่เจอไฟเข้าไปต้นไม้ก็เริ่มเริ่มถูกโคนไป มีช่องว่างให้ลมเข้ามาปะทะมากขึ้นพอมีเพื่อนแวดล้อมน้อยลงมันก็รับแรงประทะหนักขึ้นก็เลยโคน่นรวมกันกลางคืนยังคืนเนี่ยนะก็ได้ยินเสียงต้นไม้โคน่นไม่ใช่เพราะว่ามีใครไปตัดนะแต่เพราะว่ามันเจอแรงลมแรงพายุแล้วก็ไม่มีเพื่อนคอยกันเอาไว้ไม่มีหมูมิด คอยช่วยวันก็เลยโคน้นแต่ถ้าเกิดว่าต้นไม้เหล่านี้มีรากที่อย่างลึกนะถึงแม้ว่ามูมนิจะโดนตัดเหลือแต่ตัวเองอยู่โดดเดยวอยู่ต้นเดียวนะก็ยังพอสู้แรงลมไหวคนที่มีฐานะมีตําแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆ เ, เนี่ยยิ่งมีความจําเป็นที่จะต้องมีฐานใจที่อย่างลึกมีด้านไหนที่มั่นคง เพราะว่าจะต้องเจออุปสรรคเจอแรงลมแรงพายุมากบางทีแค่ลมปากอย่างเดียวนะถ้าฐานใจไม่มั่นคงก็โยกเยกโอนเอ็นได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดฐานใจมั่นคงนะให้ลมปากหรือว่าลมพายุต่างๆก็ทำอะไรได้น้อยนะตนมาก็ยังทุ่งสูงขึ้นได้เรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนคอยรับแรงลมคอยรับคอยต้านแรงประทะก็ไม่เป็นไรก็ยังอยู่ได้และเวลาเกิดจะมีอนเป็นไปขึ้นมาก็ก็ไม่ทุกนะมีคนรู้จักคนหนึ่งนะเป็นนายกอบจอเรื่องที่เคยเป็นดีกว่านะเคยเป็นนายกอบจอแล้วก็เป็นคนที่ทํางานแข็งขันแข็งมากแล้วก็มีความตั้งใจดี หาเสียงจนกระทั่งได้รับเลือกโดยที่ไม่ได้ซื้อเสียงแต่เนื่องจากว่าเคยทํางานเพื่อชาวบ้านมาตลอดด้วยเลยได้รับเลือกเอาชนะคู่แข่งซึ่งมีมีเงินมีทองได้พอได้เป็นนายกบจก็พยายามที่จะสร้างฐานด้วยการสร้างผลงานทํางานเยอะแยะไปหมดส่วนหนึ่งก็เพื่อสร้างเพื่อประโยชน์แก่ชาวบ้านด้วยตํา อุดมการณของตัวอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อสร้างฐานเสียงให้กับตัวเองก็คือเอาผลงานเป็นเครื่องดึงดูดเสียงเพราะาตัวเองนี่ไม่ค่อยมีเงินแต่ปรากฏว่าคู่แข่งนี่เขาก็พยายามที่จะหาทางบ่อนเซ้ออยู่ตลอดเวลาเจ้าตัวก็เลยเริ่มเครียดโดยเพราะเมื่อไม่มั่นใจว่าจะได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือเปล่า ก็เริ่มทำงานด้วยความเครียดมากขึ้นจนกระทั่งบางวันนี่ไม่มีเสียงจะพูดเลยเสียงแห่เพราะว่าหาเสียงตลอดใจจริงมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องกล่องเสียงเป็นปัญหาเรื่องความเครียดในจิตใจแล้วพอจะลงเลือกตั้งนี่ก็ก็ยังมีความหวังว่าจะได้เลือกตั้งแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อเสียงแต่บางครั้งใจก็หวั่นไหวว่าซื้อเสียงดีไมเพราะว่าถ้าซื้อเสียงเราก็จะได้คะแนนง่ายขึ้น ไอ้ที่เคยจะเป็นนักการเมืองอุดมคติมันก็เริ่มวันไหวแล้วก็มีคนจนํานวนไม่น้อยที่แปลเปลี่ยนไปนะกลายเป็นนักการเมืองที่ใช้เงินเป็นหลักะอันนี้ก็เรียกว่าฐานใจนี่มันไม่มันมันไม่ลึกมันงอนแงน่ก็เลยไม่สามารถจะรักษาอุดมคติไว้ได้นะแต่ว่านักการเมืองคนนี้แกก็พยายามที่จะรักษาอุดมคติไว้ด้วยความหวังว่าชาวบ้านจะเลือกตัวเองเพราะว่า ทำผลงานไม่เยอะมากใครๆเตือนแล้วว่าอาจจะแพ้นะเพราะว่าอีกฝ่ายนี่ซื้อเต็มถุ่มเงินเต็มที่ก็ไม่เชื่อไม่ได้เผื่อใจไว้เลยว่าอาจจะแพ้พอเลือกตั้งเคยจริงๆปรากฏว่าเลือกตั้งครั้งใหม่ปรากฏว่าแพ้ไปหลายหมื่นคะแนนผิดหวังมากเหมือนก็อกหักนะรู้สึกว่าชาวบ้านทิ้งตัวเองรู้สึกอับอาย ไม่กล้าไปออกไปพบปะผู้คนมีงานอะไรก็ไม่กล้าออกงานสังคมเพราะรู้สึกอับอายรู้สึกว่าถูกปฏิเสธเครียดนะอันนี้ก็เรียกว่าจิตใจนีหวันไหวได้รับการกระทบกระเทือนมากตอนหลังก็เริ่มจะทำใจได้แต่วันนึงนี่ก็ไปไปเยี่ยมศูนย์ที่ตัวเองสร้างเอาไว้สมัยเป็นนายกอบจอ มีธุละไปที่นั่นไปพบปะเพื่อนบอกกว่าตะก่อนเนี่ยเวลาไปที่นั่นก็จะมีคนมาล้อมหน้าล้อมหลังแต่ว่าไปครั้งล่าสุดไม่มีลูกน้องมาล้อมหน้าล้อมหลังเลยเหมือนกับเขาไม่รู้จักเราคืนนั้นแกนอนก็ร้องไห้ปวดหัวมากร้องไห้ปวดหัวด้วยความเสียใจเมื่อตรอมใจ ว่าให้บริษัทบริวารที่เคยห้อมล้อมเรามันไปไหนอันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกับต้นไม้ที่รากที่แม้จะพุ่งขึ้นสูงแต่รากไม่ลึกนะพอเจอแรงลมประททาเข้าไปแค่สองสามเที่ยวนี่ก็ก็แทบจะพังครืนลงมาเลยแลวคนจำนวนไม่น้อยเป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าแม้จะมีตำแหน่งมีฐานะที่สูงนะแต่ว่าพอ เจอความผันผลวนแปรปรวนนี่ใจนี่เอาไม่อยู่นะก็เรียกว่าต้องต้องไปพักฟื้นอยู่นานแต่บางคนนี่ก็ตรอมใจจนตายก็มีนะอย่างผู้ว่าบางคนที่เกษียณไปจากจังหวัดที่ที่ใหญ่นะวันหนึ่งก็ระหว่างที่เป็นประชาชนเต็มขั้นก็งอยนะ คนที่กเกษียณราชการผู้ใหญ่ที่กเกษียณเป็นอย่างนี้กันเยอะหนงอยไม่มีบริษัทบริวารเหมือนก่อนวันหนึ่งได้รับเชิญให้ไปจังหวัดที่ตัวเองเคยเป็นผู้ว่าก็ดีใจนะดีใจมากจะได้ไปเจอบริษัทบริวารอีกแต่พอไปถึงแล้วคนก็ก็ไม่สนใจไนมะ่ว่าจะเป็นพ่อค้าพหาบดีแม้กระทั่งลูกน้องที่เป็นข้าราชการ นะในจวนผู้ว่าใ น, ในสารกลางก็ไม่สนใจแล้วเพราะก็ไปแหกไปห้อมล้อมผู้ว่าคนใหม่อกหักเลยนะซึมเลยกลับไปบ้านก็อยู่ได้ไม่ไม่นานนะปีสองปีมันก็ตายอันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนต้นไม้ที่สูงก็จริงแต่รากมันตื้นแทนที่จะทำประโยชน์อะไรให้กับตัวเองและกับประเทศชาติก็ไม่มี อันนี้สาหรับคนที่ประสบชีวิตในขาลงแต่คนที่ยังอยู่ในช่วงขาขึ้นก็จําเป็นเหมือนกันนะที่จะต้องมีฐานใจให้มั่นคงอันนี้บางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเรื่องความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในการงานฉันไม่สนใจล้วแต่แม้กระ น, นั้นเนี่ยก็เชื่อว่าคงต้องการความสุขถึงจะไม่ต้องการความก้าวหน้าและถ้าต้องการความสุขนี่ก็จําเป็นมากเนี่ยที่ต้องกลับมา มาปฏิบัติธรรมนะมาเจริญสติกลับมาทํางานด้านในความทุกข์ของคนสมัยนี้เนี่ยนะมันมันเป็นความทุกข์ใจเสียเยอะคนทุกวันนี้เนี่ยความทุกข์ทางกายมีน้อยแล้วนะยกเว้นคนที่เจ็บป่วยแต่ว่าความเจ็บป่วยสมัยนี้มันก็เกิดขึ้นน้อยลงนะเพราะว่ามีเทคโนโลยีมีบริการสาธารณาสุข ก็เรียกว่าก้าวหน้าพอใช้ได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยคนก็เจ็บป่วยกันเยอะอายุก็สั้นจะทำอะไรก็ลําบากนะต้องใช้แรงต้องใช้เรียวจะไปทํางานก็ต้องเดินไปนาเป็นชั่วโมงชั่วโมงบางทีไปเรียนหนังสือก็ต้องเดินเท้าเปล่ามาเรียนหนังสือนะสมัยก่อนที่แถวนี้ก็ยังนักเรียนยังเดินเท้าปล่าไปเรียน ที่ผููหลงนี้ก็เดินเท้าปางเป็นเป็นชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้มีรถมารับส่งแล้วนักเรียนก็มีรองเท้าใส่ทุกคนชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นแมกก้กระทั่งในชนบททุกภัยจากภายนอกมันมีน้อยลงสมัยก่อนนี่มันมีทุกภัยจากธรรมชาติก็ดีจากสิงสาราสัตว์ก็ดีอันนี้ก็คือเหตุผลนะที่ธรรมชาติทําให้เราเนี่ยมีอายตนาถึง5อย่างในการรับรู้ โลกภายนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่าสมัยนั้นสมัยที่มนุษย์เรายังไม่เจริญนะภัยมันมาจากภายนอกแต่เดี๋ยวนี้ภัยมันมาจากภายในมาจากใจที่วางไว้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแม้จะมีเงินทองเยอะแยะมีชีวิตที่สะกสบายแต่ว่ามีความเครียดสูงความเครียดที่ใจ ถ้าลองดูความทุกข์ของคนเราหรือของตัวเราเองก็ได้นะมันร้วนแต่เป็นความทุกข์ใจทั้งนั้นแหละไม่ใช่เพราะหิวโหวยไม่ใช่เพราะเจ็บป่วยไม่ใช่เพราะมีสัตว์มาทำร้ายแต่เป็นเพราะว่าอาจจะมีเรื่องราวมากระทบกับจิตใจของเราเรื่องคนที่อยู่รอบข้างเขาทำตัวไม่นานรักเรื่องลูกเรื่องพ่อแม่เรื่องสามีภรรยาเรื่องการงาน หรือแม้แต่เรื่องนิสิติ่งพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ก่อเกิดความทุกข์กายนะมันสร้างความทุกข์ใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับที่จริงแม้กระทั่งความทุกข์ทางกายเช่นความเจ็บป่วยเนี่ยมันก็มีมันก็มีเรื่องของจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะว่าพอทุกข์กายแล้วนี่ก็เกิดความวิตกกังวลนะทําให้บางทีความ ทำให้โรคภายไค้เจ็บนี่มันรุนแรงขึ้นบางคนเจ็บไม่เท่าไหร่แต่พอมีความวิตกกังวลนะแย่เลยมีคนทำงานบริษัทเล่นเทนนิสเป็นประจำก็ยังอยู่ในวัยกลางคนวันหนึ่งไปตรวจสุขภาพประจำปีหมอบอกว่าคุณหัวใจรั่วจะตกใจมาก เพราะว่าตามความเข้าใจแก่หัวใจรั่วก็หมายความว่าหัวใจมันมีรูรั่วแล้วก็เวลาตัวใจเต้นเนี่ยมันก็มีเลือดพุ่งออกมาอย่างนี้ก็ตายสถานเดียรเนี่ยก็ตกใจแกไม่เข้าใจว่าจริงหมอต้องการจะบอกว่าลิ้นหัวใจแกรั่วซึ่งลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยนะก็ยังใช้ชีวิตตามปกติได้เล่นกีฬายังเล่นได้เลยแต่พอแกเข้าใจหัวใจรั่วแกก็นึกถึงความตายขึ้นมาเกิดความวิตกกังวล ใจสุดสองวันเท่านั้นแหละต้องเข้าโรงพยาบาลและไม่กี่วันต่อมาก็ต้องเข้าห้องไอซแล้วก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยอย่างคนที่มีลมหายใจนใะแค่เล่นหัวใจรั่วนะมันไม่ได้ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยถึงตายนะแต่เพราะใจที่วิตกกังวลต่างหากและความวิตกกังวลเนี่ยมันเล่นงานจิตใจ แล้วก็ฉุดกายให้แย่ลงและเราส่วนใหญ่ก็มักจะปล่อยให้ใหความทุกข์ใจเนี่ยมันเล่นงานเราแล้วก็มันทำร้ายร่างกายของเราโดยที่เราไม่รู้ทันทจริงตัวเราเนี่ยมันก็มีเครื่องมือในการรับรู้ความทุกข์ทางใจนะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายก็จริงสำหรับการรับรู้ภัยจากภายนอก แต่เรามีอีกอย่างหนึ่งที่สามารถจะรับรู้ภัยจากภายในได้อันนั้นคือสติเนี่ยสตินี่เป็นตาในที่ทำให้เราสามารถที่จะรู้เท่าทันภัยที่มันคุกคามจิตใจของเราแต่เราไม่ค่อยได้สนใจที่จะใช้ไอ้ตาในนี้เท่าไหร่เพราะว่าเรามุ่งแต่สนใจสิ่งภายนอกเรียกว่าส่งจิตออกนอกอยู่บ่อย เราส่งจิตออกนอกจนกนทั่งเราลืมที่จะดูใจของเราลืมที่จะสังเกตจิตใจของเรานะทั้งๆ ท, ที่เราก็สามารถจะรู้ได้จริงเนี่ยตัวเรานี่จะว่าไปมันก็เป็นธรรมชาติได้สร้างมาไม่ใช่เพื่อให้เรามาเจอกับชีวิตแบบนี้นะธรรมชาติสร้างมาเพื่อให้เราพร้อมที่จะรับมือกับภยัยภายนอก ถึงให้อายตนะถึงห้าอย่างให้แก่เราธรรมชาติให้อายตนะห้าอย่างกับเราขณะที่อายตนะที่จะดูจิตรู้ทันภยัยภายในมีแค่อย่างเดียวห้าตอนหนึ่งนะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามนุษย์เราตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่เกิดมานะเป็นมนุษย์นะซึ่งก็ไม่รู้มาไหล่สองล้านปีสามล้านปีที่แล้วจกนกระทั่งถึงเมื่อไม่กี่ร้อยปีมานี้เองนะ ตลอดเวลาหลายล้านปีนี่มนุษย์เรามันเจอแต่ภยัยภายนอกเป็นส่วนใหญ่ธรรมชาติก็ฉลาดแล้วที่ให้เรามีไอ้ตาหน้ถึงหยอย่างเพื่อที่จะมารับรู้สิ่งภายนอกจะได้รับมือกับอันตรายจากภายนอกได้ธรรมชาติอาจจะไม่รู้ว่ามนุษย์เราได้มาถึงจุดที่เรียกว่าไอ้ภยัยภายนอกเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่น่ากลัวหรือมันมีน้อยลงแล้ว แต่สิ่งที่เป็นน่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าคือภัยจากภายในคือใจอารมณ์ที่ปรุงแต่งแล้วก็เล่นงานครอบงําทั้งใจแล้วก็บรรเทนสุขภาพของเราอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะที่มันเพิ่งมีในยุคหลังๆนี่เองที่ว่าภายัยหรือทุกข์จากภายนัยนี่มันมีสัดส่วนมากกว่าทุกข์จากภายนอกแต่ธรรมชาติก็ยังยัง ให้แค่อย่างเดียวไอ้ตระอย่างเดียวกับเราในการรับรู้ใจแต่ก็เท่านี้ก็เพียงพอแล้วล่ะนะเพราะว่าถ้าเรารู้จักฝึกพัฒนาเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันก็สามารถช่วยช่วยทําให้เราหลุดจากทุกข์ภัยที่คุกคามจากภายในได้ซึ่งจะทําให้เราได้พบความสุขอย่างแท้จริง แม่ถึงบอกว่าเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ต้องการความเจริญก้าวหน้าแล้วเพราะว่าเราก็อายุมากแล้วฉันพอแล้วแต่คนที่พูดอย่างนี้ก็คงต้องการความสุขแต่ความสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักหันมาดูใจของเราบ้างเพราะว่าแต่ละวันแต่ละวันในใจของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ตั้งของไฟที่เผาลนเผาลนชีวิตของเรา ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเราต้องฉลาดที่กลับมารู้ทันใจของเรานะอย่ามวัวแต่สนใจหรือว่าส่งจิตออกนอกอย่างเดียวต้นไม้นี่มันยังมีทั้งยอดแล้วก็โคนเวลาเราดูต้นไม้เรามักจะดูแต่ยอดแต่เราลืมมองมาที่โคนในทมองเดียวกันเวลาเรามองอะไรก็ตามมันก็จะมองจากข้างนอกอย่างเดียว แต่เราไม่รู้ทันใจของเราให้ที่เรามาปฏิบัติกันเนี้ยนะก็เพื่อฝึกให้เราเนี่ยฉลาดในการที่รู้ทั้งข้างนอกหรือรับรู้อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภายนอกแล้วก็รู้เวลามันเกิดทุกข์ภายในซึ่งถ้าหากว่าเรามีตาในที่ดีเนี่ยนะมันก็จะ ไม่มาครอบงาจิตใจเรามากเกินไปก็เป็นธรรมดาคนเราที่ยังต้องมีความโกรธมีความกลัวมีความเกลียดนะมีความอยากแต่ถ้าเรามีสตินะมันก็เห็นความโกรธความเกลียดความอยากแต่ว่าไม่เป็นผู้โกรธไม่เป็นผู้เกลียดไม่เป็นผู้อยากคือไม่ยึดเอาความโกรธความเกลียดความอยากหรือความ เศร้าโศกเสียใจมาเป็นตัวเราของเรามันเกิดขึ้นก็จริงแต่พอเราเห็นมันมันก็ก็เรียกว่าทําให้ใจของเราเนี่ยหลุดออกไปจากอารมณ์เหล่านั้นได้ทําให้มันเนี่ยอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะมาครอบงำจิตใจของเราได้มันเป็นคนละอันนะความโกรธ ค, ค, ค, ความเกลียดความเศร้า กับจิตเนี่ยมันเป็นคนละอันกันมันไม่ใช่อันเดียวกันนะถ้าเราไม่มีตาในที่ที่ดีพอเนี่ยเราก็จะนึกว่ามันเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าเรามีสติดีนะเราก็จะเห็นว่ามันคนละอันเพราะฉะนั้นถึงแม้มันจะมีความโกรธความเกลียดอยู่ในใจแต่มันทําอะไรไม่ได้มันทำลายจิตใจไม่ได้เพราะว่ามันเกิดระยะห่าง เหมือนกับไฟนะที่มันอยู่ห่างจากตัวเรามันจะร้อนแรงแค่ไหนแต่มันก็ไม่ทำให้เรารู้สึกร้อนด้วยเพราะว่าเราอยู่ไกลจากมันสติทำหน้าที่แบบนี้แหละนะก็คือว่าแยกจิตออกจากอารมณ์เหล่านั้นแทนที่จะเป็นน้ำกับน้ำนมนะผสมกันมันแยกออกมาเลยเป็นคนละส่วนเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็น แต่ไม่ใช่ผู้เป็นอันนี้หลวงพ่อคำเขียนนี่ท่านพูดย้าเอาไว้เห็นอย่าเข้าไปเป็นสติทำให้เห็นไม่เข้าไปเป็นเห็นความกลัไม่เป็นผู้โกรธเห็นความทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ซึ่งมันก็ช่วยทาให้เราเห็นอะไรต่ออะไรที่มันเคยทำให้เราทุกข์แต่ว่าตอนนี้เราไม่ทุกข์เพราะมันแล้วถ้าเห็นความปวดหรือความแก่ความเจ็บก็เห็นมัน แล้วกระทั่งความตายแล้วก็เห็นมันแต่ว่าไม่ใช่พูดตายมีแต่ความตายแต่ไม่มีพูดตายอันนี้เพราะการมีสติซึ่งทําให้เกิดปัญญาจนกระทั่งเห็นเกิดปัญญาเห็นกระทั่งว่าแม้กรท่งไอ้ตัวกูว่าเป็นตัวกูพูดเป็นนั่นเป็นนี่มันก็ไม่มีมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยได้พบกับความสุขอย่างแท้จริง ท่กลางโลกที่มันผันผวนแปรปรวนผันผวนแปรปรวนในแง่ที่ว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยมีแล้วก็ต้องหมดพบแล้วก็ต้องพลากเจอแล้วก็ต้องจากอันนี้เป็นธรรมดาโลกไม่มีใครหนีพ้นแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้เพราะว่าเรา มีสติรู้ทันให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความผันปวนนั้นหรือต่อมาถ้ามีปัญญาประจักษ์แจ้งความจริงอย่างชัดเจนก็จะพบว่าอ้อก็จะรู้ว่าตะหนักว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเพราะมันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เลยสักอย่างก็ใจก็ไม่ไปยึดมั่นกับมันไม่ได้ยึดมั่น ว่ามันต้องเที่ยงไม่ได้ยึดมั่นว่ามันต้องให้ความสุขกับเราไม่ได้ยึดมั่นว่ามันต้องเป็นของเราเพราะฉะนั้นเมื่อมันเปลี่ยนไปใจก็ไม่ทุกข์เมื่อสุขกลายเป็นทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์ด้วยหรือว่าเมื่อพบว่าไอ้ที่เคยคิดว่าเป็นของของเรามันกลายเป็นของคนอื่นไปแล้วตำแหน่งอบจที่เคยมีตอนนี้มาหลุดลอยไปแล้วก็ไม่ทุกข์ พอไม่ได้คิดตั้งแต่แรกว่ามันเป็นของเรามันเป็นสิ่งที่มาอยู่กับเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นคือไม่ได้ปลื้มตั้งแต่แรกแล้วเพราะรู้ว่าของพวกนี้เป็นของชั่วคราวแม้กระทั่งชีวิตนี้มันก็เป็นของชั่วคราวนะเหมือนกับว่ามาเป็นแค่อาคันตุกะหรือจะเปรียบมันก็ว่ามาพักที่โรงแรมมาพักที่โรงแรม พวเราเวลาเข้าโรงแรมเช็คอินไม่ว่าจะอยู่กี่วันสามวันห้าวันหรือคืนเดียวหรื อ, อนานกว่านั้นเวลาเราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเราก็ไม่เคยเสียดายโรงแรมหรือห้องพักนั้นเลยเราไม่เคยเสียดายเลยไม่เสียดายโทรทัศน์ในห้องในโรงแรมนั้นไม่เสียดายเตียงที่มันนุ่มนะเราก็เดินออก จากห้องออกจากโรงแรมได้โดยไม่ต้องหวนอะไรก็ได้เพราะอะไรเพราะเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่ใช่ห้องของเราไอ้โทรทัศน์เตียงหรือสิ่งอำนวยความสะดในห้องนั้นเรารู้ตั้งแต่แล้ ว, ว่าไม่ใช่ของเราเพราะนั้นเวลาออกจากห้องออกจากโรงแรมไปก็ไม่มีความอาลัยความเสียใจไม่มีการเลียวหลังไปเลยก็ได้เดินหน้าออกไปอย่างเดียว ถ้าทำไมเราไม่ไม่มองอย่างนี้บ้างนะกับทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ในเวลานี้นะเพราะที่จริงพวกเราก็ไม่ต่างจากแขกที่มาพักในโรงแรมนะโลกนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกับโรงแรมหรือว่าห้องพักที่เราอยู่หรือว่าโลกที่เราอยู่ก็เหมือนกับห้องพักในโรงแรมเราก็มาเพื่อที่จะไปไม่รู้ว่าจะเช็คเอาเมื่อไหร่ถ้าเราจากโลกนี้ไปเมื่อคนที่เช็คเอาออกจากโรงแรม เราก็ไม่กลัวความตายไม่กลัวความตายเหมือนกับพวกเราเวลาไปโรงแรมเราก็ไม่กลัวการเช็คเอาท์ถึงเวลาเมื่อไหร่ก็เช็คเอาท์ได้โดยที่ไม่วิตกกังวลอะไรเลยอันนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีปัญญาเรามีความเข้าใจเรารู้ว่ามันไม่ใช่ของเราอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัตินะโดยการเจริญสติ จนกระทั่งเราเห็นเกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้แหละเป็นงานภายในที่สำคัญมากที่เราไม่ควรมองข้ามมันช่วยทำให้เราอยู่ในโลกนี้ได้ยงมีความสุขนะไม่ใช่อยู่ด้วยความหดหู่เหมือนคนที่กลัวตายไม่ใช่เลยนะแต่ว่ารู้เท่าทันธรรมดาในขณะที่ยังมีความรับผิดชอบ ในขณะที่ยังทํา ง, ทงานก็ทํางานด้วยความกระตือรือล้นมีความรับผิดชอบก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความเบิกบานถึงเวลาที่จะพ้นหน้าที่ไปแล้วก็ไม่ได้อาลัยหรือว่าถึงเวลาที่จะลาจากโลกนี้ไปก็ไม่ได้เสียดายพระสัยหลวงพ่ท่านเคยพูดไว้ดีนะท่านบอกว่าเราไม่ยินดีในชีวิตแล้วก็ไม่ยินดีในความตายมีชื่อเหมือนลูกจ้าง ที่รอเวลาเลิกงานเลิกงานเมื่อไหร่ก็หยุดงานเมื่อ น, นั้นวางเครื่องมือแล้วก็เดินกลับบ้านไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจไม่มีอะไรที่ต้องหวาดกลัวแต่ในขณะที่ยังไม่ถึงเวลาเลิกงานก็ทํางานเต็มที่ทาตาควารับผิดชอบและทํำด้วยความสุขด้วยไม่มีความกังวลทั้งสิ้นอันนี้ก็เป็นผลจากการทํางานด้านในซึ่งจะช่วยเสริมให้ งานด้านหน้าของเราเนี่ยมันเป็นงานทีนะ่ไม่ได้สร้างความวิตกกังวลหรือไม่ก่อปัญหาทางจิตใจไม่ว่างานจะสาเร็จหรือล้มเหลวไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะก็ยังมีความสุขได้ไม่ว่ายังมีสุขภาพดีหรือว่าเจ็บป่วยนะก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อเจ็บป่วยก็ร่วมเป็นธรรมดา ของสังขารก็วางได้ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยนะอันนี้แหละที่มันจะเรียกว่าเป็นตัวเสริมสร้างฐานที่มันคงให้กับชีวิตของเรานะไม่ว่าจะเป็นการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์การทํางานก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นเจริญก้าวหน้าหรือถึงแม้ไม่ได้ทำนะก็เป็นสุขได้ นั้นจริงเดียวทำในวันนี้เนะี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะไม่ใช่เป็นส่วนเกินนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นทีเดียวคำนี้ก็พูดกับทั่านี้